ให้บุคคลปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนาหรือเรียกว่ากรรมฐานอันแปลว่าการงานทางจิตที่ตั้งขึ้นคือที่ปฏิบัติอันอาศัยข้อที่พึงคือเป็นที่ตั้ง ของการปฏิบัติและก็ได้ตรัสแสดงถึงจิตนี้ว่าดิ้นรนกัดแกวงกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากแต่ภูมีปัญญาย่อมกระทำจิตของตนให้ตรงได้ เหมือนอย่างในช่างสอนทำลูกสอนให้ตรงหรือว่าดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นดังนี้และข้อที่จิตนี้เด่นรนกวัดแกงกระสับกระสายถ้าไม่กำหนด ก็อาจจะยังไม่ปรากฏแก่ความรู้เพราะเป็นปกติของทุกคนย่อมมีจิตใจไม่อยู่ที่คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นปกติและก็เป็นเรื่องที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ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 คิดไปถึงเรื่องที่หลงสยบติดอยู่ย่อมเป็นไปดังนี้อยู่เป็นประจำจนถึงไม่สำนึกรู้ในจิตของตนเองว่ามีอาการดังที่ตรัสสอนแต่เมื่อได้มาจับธทมกรรมฐาน เช่นตั้งจิตกำหนดในสติปัฏฐานที่ต่างของสติคือกายเวทนาจิตและธรรมข้อใดข้อหนึ่งเห็นกำหนดในข้ออาณาปานาสติสติกกำหนดลมให้ใจเข้าออกให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมให้ใจเข้าออก หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้จิตมักจะไม่ตั้งอยู่ในข้อที่ตั้งใจจะให้จิตตั้งอยู่นี่จิตจะออกไปสู่อารมณ์คือเรื่องที่เป็นที่อะไรของจิตคือที่ผูกจิตทั้งเป็นเรื่องที่น่ารักทั้งเป็นเรื่องที่น่าชังต่าง เมื่อมีสตินําจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่อยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเช่นตั้งไวท้ที่ปลายจมูกหรือที่ริมผิปากเมืองบนเมื่อลมให้ใจเข้าลมให้ใจก็ย่อมจะมากระทบที่จุดนี้กําหนดจิตให้มีความรู้ใน ลมที่เป็นตัวผลทพะคือที่มาถูกต้องกายส่วนนี้ทำความรู้ว่านี่ให้ใจเข้านี่ให้ใจออกจิตมักจะไม่ตั้งอยู่ต้องนำกลับเข้ามาบ่อยๆดังกล่าวนั้นก็เพราะจิตยังไม่ได้ความสุข ยังไม่ได้ความเพลิดเพลินในสมาธิยังติดอยู่ยังเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ที่ใกล้ที่ปรารถนาทั้งหลายอันเป็นเหตุดึงจิตออกไปแต่ว่าเมื่อทำบ่อยๆได้ ปีติคือความอิ่มใจได้สุขคือความสบายกายสบายใจอันเกิดจากสมาธิคือว่าจิตรวมเข้ามาตั้งได้และทำให้ได้ปีติได้สุขก็ยอมจะทำให้จิตนี้เริ่มตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้เพราะว่าได้ความสุข ไม่ได้ความผรึดอัดเดือดร้อนรำคาญฉะนั้นสมาธินี้จึงมีอานิสงสผลทำให้ในความสุขอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะถอนจิตออกจากอารมณ์ภายนอกกันทำให้ไว้ได้แม้ว่าจะ ท่วขณะที่เร็วหรือช้าสุดแต่ความเพียรที่ปฏิบัติถ้าไม่ทิ้งความเพียรที่ปฏิบัติแล้วก็จะทำให้สามารถปฏิบัติรักษาจิตอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้นานความที่พระจิตออกจากอารมณ์ภายนอกได้มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ ที่เป็นภายในดังนี้ก็เป็นวิธีรำงับความทุกข์ต่างๆอันเกิดจากอารมณ์ภายนอกได้ด้วยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะพากิตออกมาได้หากมีความทุกข์เพราะอารมณ์ภายนอกก็ย่อมจะต้องเป็นทุกข์ อยู่นานน้อยหรือมากสุดแต่ว่าความความผูกพันของจิตอันเรียกวดสัญยานั้นมีน้อยหรือมากเพียงใดก็เพราะว่าอันอาภัยตอกต่างๆนั้นเมื่อเป็นปิยะสัมประโยคคือความประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักก็ยอมจัก ทำให้ได้ความสุขความสำราญหากเป็นปิยวิปโยคความพลัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็ย่อมจะทำให้เกิดความทุกโศกต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ปฏิบัติทางสมาธิจึงยากที่จะพลากจิต ออกได้ทั้งจากความสุขความเพลิดเพลินทั้งจากความทุกข์โศกแต่ว่าเมื่อได้ความสุขความเพลิดเพลินก็ย่อมจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นแต่เพียงว่ารักษาจิตไว้มิให้มัวเมาเพลิดเพลินเกินไปเท่านั้น แต่ว่าจะได้ความสุขความเพลิดเพลินสมปรารถนาต้องการไปทุกเรื่องทุกราวเขาหาไม่จะต้องพบกับความไม่สมปรารถนาควบคู่กันไปด้วยตามธรรมดาของโลกึุงจะต้องมีทั้งส่วนที่สมปรารถนา ทั้งส่วนที่ไม่สมปรารถนาคือทั้งส่วนที่ได้มาและทั้งส่วนที่จะต้องเสียไปเป็นไปตามคติธรรมดาของโลกของสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายและเป็นไปตามคติของกรรมอิเดีกรําไว้เพราะฉะนั่นสุขกระทุก จึงมีคู่กันอยู่ในโลกเป็นธรรมดาซึ่งทุกคนต้องประสบแต่ผู้ที่สามารถปฏิบัติอบรมจิตให้ตั้งอยู่ได้ในสมาธิรู้จักที่จะพราบจิตออกได้จากอารมณ์ภายนอกย่อมสามารถที่จะหนีทุก มาอยู่ในสมาธิอันทาให้ในความสุขจากสมาธิคนที่ไม่สามารถทำสมาธิได้ย่อมไม่สามารถจะหลีกหนีจากทุกได้ต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ร่ำไปฉะนั้นความที่ทำสติความระลึกได้ รอบทั้งปัญญาคือความรู้ดังนี้มาหัดทำสมาธิปรากิกจากอารมณ์ภายนอกอันทําให้เกิดสุขก็ตามทําให้เกิดทุกข์ก็ตามมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิและเมื่อปรากออกได้ก็ยอมจะทําให้ระ ง, งับทุกข์ได้ทําให้ได้ความสุขได้ แต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิไปก็ย่อมจะต้องไปอยู่กับอารมณ์ภายนอกเป็นทุกข์ขึ้นอีกแต่ถึงดังนั้นก็ยังดีเพราะเมื่อเห็นว่าจะทุกข์มากไปก็หลบเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิเสียก็จะทำให้ได้ความสุขจากสมาธิทำให้จิตใจได้กำลังได้เร็วแรง ที่จะปฏิบัติกิจการทั้งหลายแต่ว่าเพียงสมาธิอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงจึงต้องปฏิบัติทางปัญญาปรอบไปด้วยกล่าวคือใช้สติความระลึกตามที่พระพุทธเจา้าทรงสอกทรงสั่งสอน ใช่ในปัญญาคือความรู้ขึ้นรับรองว่าเป็นความจริงคือใช้สติระลึกไปตามที่ทรงสั่งสอนว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีความคลัดคราบคือจะต้องคลัดคราบจากสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิน้นเรามีกรรมที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจเป็นของของตนเป็นทายาตรับผลของกรรม มีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจากกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาตรับผลของกรรมนั้นดังนี้เมื่อพิจารณาดังนี้ด้วยสติคือระลึก ไปตามที่ทรงสั่งสอนให้ความรู้ของตนบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นจริงเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจริงเราจะต้องคลาดคลากจริงเรามีกรรมเป็นของของตนจริงความรู้ที่บังเกิดขึ้นรับรองดังนี้เป็นตัวปัญญาอันบังเกิดขึ้นจากสติที่พิจารณาเมื่อเป็นดังนี้ ก็จะทำให้รู้จักสักจจะคือความจริงของโลกโดยเฉพาะก็คือขันธโลกโลกคือขันธ์คือชีวิตนี้ของตนว่าเป็นอย่างไรให้รู้จักกติของกรรมว่าเป็นอย่างไรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นเมื่อตรงประสบ กับคติธรรมดาของชีวิตของโลกที่เป็นไปอยู่ดังที่ตรัสสอนในพิจารณานั้นก็จะทำให้ได้สติระลึกได้ว่าก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดาและตามคติของกรรมก็จะทำให้จิตใจนี่ สามารถที่จะระงับความตื่นเต้นยินดีในความสุขต่างๆหรือว่าความทุกข์โศกเพราะประสบเหตุของทุกข์ต่างๆได้ยิ่งกว่าภูที่ไม่ได้หัดพิจารณาให้ได้สติให้ได้ปัญญา และยิ่งขึ้นไปกว่านั้นขอหัดกำหนดดูให้รู้จักตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ในธรรมบทว่าความโศกเกิดจากบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่รักภัยคือความกลัวต่างๆเกิดจากบุคคลและสิ่งที่เป็นที่รักความโศก ความกลัวเกิดจากความรักเมื่อพ้นจากบุคคลในสิ่งซึ่งเป็นที่รักพ้นจากความรักเสียได้ความโศกความกลัวต่างๆก็ดับและได้ตรัสสอนไว้อีกว่าความโศกความกลัวเกิดจาก ตัณหาคือความลิ้นรนทยานอยากเมื่อพ้นจากตัณหาก็ย่อมจัดพ้นจากความโศกความกลัวได้ดังนี้เพราะฉะนั้นตัวหัดพิจารณาจับดูที่จิตใจว่าจิตใจที่มีความ ทุกโศกก็ดีมีภัยคือความกลัวต่างๆอยู่ก็ดีเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งโดยปกตินั่นก็มักจะไปเข้าใจว่าเกิดจากเหตุภายนอกต่างๆเช่นเกิดจากบุคคลบ้างสิ่งต่างๆบ้างซึ่ง ถ้าเป็นที่รักบุคคลหรือสิ่งนั้นๆก็ต้องพลาดพลาไปถ้าไม่เป็นที่รักบุคคลหรือสิ่งนั้นๆก็กล่ำกลายเข้ามามักจะไปเพ่งดูดังนั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็ยิ่งทับถมทวีความโศก ทับถมทวีภัยคือความกลัวความหวาดระแวงต่างๆยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความที่มาพิจารณาจับเหตุดังนี้เรียกว่าเป็นการจับเหตุไม่ตรงกับผลพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้จับเหตุให้ตรงกับผล คือตรัสสอนให้จับเข้ามาดูเหตุที่เป็นตัวเหตุภายในคือตัณหาความริดนทยานยหญ่ในใจของตนเองซึ่งตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกขเพราะตัณหานี้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวเรา ยึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่านั่นเป็นที่รักยึดถือว่านั่นไม่เป็นที่รักตัญหาอุปาทานนี้เป็นตัวเหตุที่สร้างบุคคลและสิ่งที่เป็นที่รักบ้างไม่เป็นที่รักบ้างสร้างตัวเราของเราขึ้นในสิ่งทั้งหลายโดยรอบ เพราะฉะนั้นตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานคือความยึดถือนี่เองจึงเป็นตัวเหตุที่มีอยู่ในจิตใจนี้เองมันพิจารณาดังนี้ให้ความรู้ของตอนนี่แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าตัณหาอุปาทานในจิตใจของตอนนี่ เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริงทุกต่างๆที่ได้รับอยู่เป็นความทุกโศกต่างๆก็ดีเป็นภัยคือความกกัวต่างๆก็ดีก็มาจากอุตันหาอุปาทานนี้เองให้ความรู้ของตอนนี่แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นความจริงด้วยการที่มันพิจารณาอยู่เนืองให้มองเห็น ว่านี่เป็นตัวเหตุทุกโศกภัยต่างๆนั้นเป็นตัวผลเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นคือความรู้นี่แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นจริงดังนี้ทุกโศกต่างๆภัยคือความกลั ว, วต่างๆก็จะดับไปทันทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็จะจแสดงไว้ในปฐมเทศนาของพระองค์ว่าจ ะ, จะรู้ในอริยสัจทั้งสี่คือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทุกต่างๆนั่นก็เพราะมีทุกขสมุทัยเหตุได้เกิดทุกคือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากดับตัณหาเสียได้ ก็เป็นทุกข์ณะนี้โดยความดับทุกข์จะดับได้ก็อาศัยปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดมีสมาธิที่ความเห็นชอบเป็นต้นมีสมาสมาธิความตั้งใจชอบเป็นที่สุดซึ่งแสดงว่าต้องมีสมาธิคือความที่กำหนดจิตเพ่งจิตอยู่ ในอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของสมาธิเพื่อสมาธิก็เช่นอานาปานสติเป็นต้นอารมณ์ของสมาธิเพื่อปัญญาก็คือนามารูปนี้กําหนดดูให้รู้จักนามารูปนี้ให้รู้จักกายใจนี้ว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงต้องเกิดดับ เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแม่เป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้จริงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตามที่ยึดถือกันดังนี้ความรู้ที่บังเกิดขึ้นรับรองความจริงนี้ก็เป็นสมมทิทีิความเห็นชอบพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา ในมัชมีองค์แปดนี้ที่ตรัสเรียกว่ามัชกิมาปฏิปทาข้อที่ปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางสมบูรณ์ทรงกําหนดรู้ทุกได้แล้วทรงละสมุทัยได้หมดแล้วทรงทําให้แจ้งนิโรธได้แล้วทรงปฏิบัติในมัชมีองค์แปดได้สมบูรณ์แล้วจกักษุคุอดงตายานคือความอย่างรู้ ปัญญาคือความรู้รอบวิชาคือความรู้จริงอาโลกคือความสว่างผุดขึ้นในอดีตสัตว์ทั้งสี่กิเลสและกองทุกข์ดับไปหมดสิน้นจึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นผูตรัสวรู้แล้วและความรัสรู้ของพระองค์ในอดีตสัตว์ทั้งสี่นี้เมื่อ แสดงโดยพิสดารตามที่ตรัสไว้ก็คือปฏจิจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นซึ่งมีอวิชชาอาสวะเป็นต้นมาจนถึงชนามรณะโศกปริเทวะเป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัย กันโดยลำดับปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นซึ่งมีอวิชชาอาสวะเป็นต้นมาจนถึงชนามรณะโศกปริเทวะเป็นต้นซึ่งเป็นปันจจัยกันโดยลำดับนี่เป็นไยสมุทัยาวาร คือเป็นฝ่ายเกิดหรือเป็นฝ่ายก่อทุกข์พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัส ร, สรสู้แล้วก็ได้ทรงพิจารณาอริยสัจทางปฏิจจสมุปบาทนี้แล้วก็ได้ทรงแบ่งอุทานขึ้นซึ่งแปลความว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏ แกพรามภูมีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมะว่าเกิดจากเหตุหรือรู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุหรือรู้ธรรมะว่ามีเหตุที่เป็นปัจจัยสืบต่อกันไปจึงทำให้เกิดทุกข์แล้วได้ทรงพิจารณา ปฏิปฏิจจะส ม, มบูรณ์แบบทางนิโรธวารทางนิโรธวาระหรือนิโรธวานคือวาระดับคือดับทุกข์ว่าเพราะดับอวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาเป็นต้นจึงได้ดับมาโดยลําดับจนถึงดับจรามารณะโสกะปริเทวะเป็นต้น ได้ทรงแปลงอุทานขึ้นว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พระามภูมิเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของกรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ความสิ้นไปของปัจจัยคือเหตุทั้งหลายดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังขวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป